และสาขาที่สองวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีศูนย์รังสิท์ปากทางเข้าเมืองเอกสอบถามเพิ่มเติม02 592 1933สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ศูนย์รังสิท์โดยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีให้บริการตรวจรักษา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 592-1991 วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM แปดสิเมกะเฮิร์เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตเพราะเรื่องดีๆมีทั่วทุกมุมโลก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 สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเป็นเรื่องเป็นราวดิฉันวัชรินคณชามารับหน้าที่ตรงนี้ 89.5 เมิเกอเฮิร์ส์นะคะทุกๆวันพุธเจอกันกับเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ฟังเพลินๆคุยกันเพลินๆ เ, เป็นเพื่อนกันเพลินๆไปนะคะในช่วงนี้นะคะมีเรื่องราวที่อยากจะหยิบมาเล่าเป็นเรื่องของการพยายามที่จะเป็นความร่วมมือกันระหว่างประเทศดีกว่าที่อยากจะ ใช้วิธีการปลูกข้าวนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อที่จะให้การปลูกข้าวเนี่ยช่วยลดโลกร้อนนะคะแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรก ร, กรผ่านโครงการไทยไลฟ์นามานะคะเป็นข่าวที่หยิบมาจากสำนักข่าว Greennews นะคะกร e นนเนี่ยมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องข่าวของสิ่งแวดล้อมเป็นนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมดีๆ ที่น่าสนใจดิฉันหยิบเอามาเล่าให้ฟังหลายครั้งแล้วละ่ะต้องขอบคุณเขานะคะว่ามีข่าวดีๆข่าวนี้เป็นความร่วมมือของอกระทรวงเกษตรไทยกับาทางเยอรมันนะคะโดยภาคเกษตรเนี่ยเป็นภาคหนึ่งที่มีส่วนสําคัญที่มีบทบาท ต, ต่อาการเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศภูมิอากาศนะคะไม่ใช่ภูมิประเทศนาข้าวเนี่ยก็เป็นแหล่งที่มีการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกที่ใหญ่ที่สุดในภาคการเกษตรนะคะโดยเฉพาะการปล่อยกา๊าซมีเคมีเทนซึ่ง มันจะทำให้โลกร้อนมากขึ้นมากกว่าก๊าซคาร์าบอนไดออกไซด์ถึง25เท่านะคะโดยกระทรวงการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมันหรือว่า g i สนะคะประจำประเทศไทยเปิดตัวโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเรียกสั้นๆรวมกันว่าไทยไลฟ์นา ม, มานะคะโดยมีเป้าหมายที่จะปรับเปลี่ยนระบบการทานาในปัจจุบัน ไปสู่ระบบการทํานาแบบยั่งยืนนะคะโดยภายใต้โครงการนี้จะมีการผลักดันให้มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตข้าวให้กับเกษตรกรจํานวน1น0 0 0แครัวเรือนอันนี้คือเป็นตัวเลขเป้าหมายนะในพื้นที่เป้าหมายคือ 1,000 งแครัวเรือนในพื้นที่6จังหวัดภาคกลางได้แก่ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาประทุมธานีและก็สุพรรณบุรีค่ะครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 2.8 ล้านไร่ โดยมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการ5ปีตั้งแต่ปี 2,561 จนถึงปี 2,566 โดยโครงการเนี่ยคาดว่าจะนำเทคโนโลยี ที่นำมาใช้จะช่วยลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 1.73 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะคะภายใต้เทคนิคการปลูกข้าวลดโลกร้อน4กระบวนการสําคัญมาดูกันว่าไอส้สกระบวนการสําคัญนั้นมันคืออะไรบ้างกระบวนการที่1ก็คือเทคโนโลยีการปรับระดับพื้นที่นาด้วยระบบแสงเลเซอร์นะคะ ระบบปรับที่นาเนี่ยก็จะมีการปรับที่นาให้เรียบเสมอกันซึ่งจะทําให้การใช้ทรัพยากรน้ํามีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อน้ําครอบคลุมได้เท่ากันทั่วทั้งแปลงนาผลก็คือจะลดปริมาณการใช้น้ําในตลอดฤดูการเพาะปลูกลดต้นทุนการใช้สารปราบวัชพืชลดค่าน้ํามันลดค่าแรงรวมทั้งต้นข้าวมีความสม่ําเสมอคือควบคุมมันได้ส่งผลให้ได้ผลผลิตเท่ากันทั่วทั้งแปลงนะคะไม่มีที่รุ่มที่ดอน เหมือนกับชาวนาสมัยก่อนรุ่นปู่ย่าตายายนะนาในที่ลุ่มก็จะต้องปลูกนาปลูกข้าวพันธุ์ที่กินน้ําลึกนาในที่ดอนก็จะต้องเป็นข้าวเบานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความรู้อยู่นิดหน่อยนะคะทั้งนี้เนี่ยในการปรับระดับพื้นที่นาด้วยระบบแสงเลเซอร์เนี่ยก็จะเป็นการปรับพื้นนาในสภาพดินแห้งที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด ในระดับความคลาดเคลื่อนบวกลบไม่เกิน2เซนติเมทั่วทั้งแปลงค่ะแม้จะมีต้นทุนค่าปรับพื้นที่ที่สูงกว่าแล้วก็ปรับโดยใช้ระดับน้ำเป็นเกณฑ์หรือการปรับพื้นนานในสภาพที่มีน้ำท่วมขังแต่ก็จะสามารถคืนทุนค่าการปรับพื้นที่นานใน3าฤดูปลูกนะคะเทคโนโลยีที่2ก็คือการจัดการน้ำ ในานาแบบเปียกสลับแห้งมาดูกันว่าไอ้เทคนิคนี้มันคืออะไรเป็นเทคโนโลยีการปลูกข้าวด้วยการควบคุมระดับน้ำโดยให้น้ำเนี่ยเป็นรอบเวนในการในช่วงการเจริญเติบโตทางลำต้นและใบจนกระทั่งข้าวเริ่มกำเนิดช่อดอกก็คือควบคุมปริมาณน้ำเลยว่าต้นข้าวต้นหนึ่งต้องใช้น้ำเท่าไหร่พอน้าเพียงพอก็จะหยุดนะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวแล้วก็ลด ปริมาณน้ําที่ใช้ในการปลูกข้าวในเขตชนละทานเชื่อว่าที่เขาเริ่มต้นนําร่องในพื้นที่หกจังหวัดภาคกลางเนี่ยเพราะว่าเป็น6จังหวัดที่อยู่ในเขตชนระทานสามารถที่จะควบคุมปริมาณการปล่อยน้ําได้นะคะโดยจะใช้กับการปลูกข้าวในเขตชนระทานได้ 20-50% แล้วก็สามารถลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงค่าเชื้อเพลิงนี้เกิดขึ้นจากอะไรการเกิดจากการสูบน้ําเข้านาสูบเข้ามาไม่รู้ว่าข้าวกินน้ําเท่าไหร่ก็จะสูบไปสูบกลับ สูบมากไปก็เปลืองน้ำมันมากนะคะทั้งนี้เนี่ยรายงานผลการวิจัยของกรมการข้าวบอกว่าการจัดการน้ำในนาข้าวที่เหมาะสมจะช่วยลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกแล้วก็สามารถประหยัดน้ำที่ใช้ในการทำนานะะไม่ต้องมีประกาศของทางภาครัฐแล้วว่าช่วงนี้ควบคุมการกา ร, การทานา ควบคุมพื้นที่เราจะได้พื้นที่นาที่เหมาะสมกับปริมาณน้ำเนาะรู้ว่าน้ําแค่นี้เพียงพอแล้วนะคะจะมีความสัมพันธ์ในเรื่องของการจัดการน้ําตลอดช่วงการเจริญเติบโตของข้าวที่มีความแตกต่างกันนะคะเทคโนโลยีที่3ก็คือการจัดการาธาตุอาหารพืชและการใช้ปุ๋ยเป็นการจัดการาธาตุอาหารพืชในหรือนาข้าวโดยการใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มาธาตุอาหารที่ข้าวขาดแคลนในแต่ละช่วงได้อย่างเหมาะสมนะคะเช่นให้ข้าวได้รับ ทุกทาธาตุอย่างเพียงพอและสมดุลโดยผลผลิตข้าวก็จะได้สูงขึ้นโดยมีหลักการใส่ปุ๋ยที่ถูกต้อง4ประการก็คือ 1. ชนิดปุ๋ยที่ถูกต้องอัตราปุ๋ยที่ถูกต้องใช้ปุ๋ยที่ถูกจังหวะเวลาแล้วก็ใส่ปุ๋ยในบริเวณที่ถูกต้องด้วยนะคะสำหรับการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องทั้ง4ประการจะส่งผลดีด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ขณะดเดียวกันการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในอัตราที่เหมาะสมจะช่วยลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเพื่อให้กเกษตรกรใช้ปุ๋ยได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการลดปัญหาการปล่อยกา๊าซมีเทนในนาข้าวทั้งนี้เนี่ยจะมีการแนะนําให้กเกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวอย่างถูกต้องตามค่าววิเคราะห์ดินทางเคมีนะคะซึ่งการวิเคราะห์ดินก่อนปลูกข้าวเป็นการประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินล่วงหน้าค่ะโดยข้อมูลที่จะได้ นี้จะเชื่อมโยงกับ uh ข้อมูลดินในระดับกลุ่มของชุดดินของกรมพัฒนาที <the ่ดินเชื่อว่าใน6จังหวัดพื้นที่ภาคกลางเนี่ยที่เป็นพื้นที่น้าล่อกเนี่ยข้อมูลกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยข้อมูลด้านดินเนี่ยเขามีอยู่แล้วนะคะเพื่อที่จะทําให้มันเหมือนกับอยู่ในห้องทดลองอะนะดิฉันเชื่อว่ามันเหมือนอยู่ในห้องทดลองว่าถ้าทดลองน้าล่องในพื้นที่นี้แล้วได้ผลอย่างไรตรงนี้ก็จะเป็นมาตรฐานในการที่จะไปปรับใช้กับพื้นที่ที่จะเป็นเหมือนกับ โซนิ่งของการทําการเกษตรในการปลูกข้าวนะคะให้ได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดนะคะเทคโนโลยี Technology ที่4ก็คือเรื่องที่ถกเถียงและพูดคุยกันมามากเหลือเกินก็คือเรื่องของการจัดการฟางและต่อสั่งข้าวนะคะโดยที่ผ่านมาเนี่ยเรามีปัญหาในเรื่องของการเผาฟางในนาข้าวเกิดความเสียหายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมแล้วก็ยิ่งก่อภาวะ เ, าเรือนกระจกซึ่งควันจาก การเผาฟางเนี่ยเป็นอุบัติเหตุเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในท้องถนนในของกรมท า, ทางหลวงชนบทในหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะคะความร้อนแล้วก็ฝุ่นละอองนะคะนอกจากนี้ก็คือฟางข้าวเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอินทรียวัตถุที่มีธาตุอาหารพืชสำคัญเป็นองค์ประกอบเช่น ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมเมื่อฟางข้าวถูกเผาฐานสารอาหารเหล่านี้เนี่ยก็จะสูญเสียไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งไนโตรเจนจะสูญหายไป 93% มันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าเกษตรก ร, กรชาวนาอยากจะให้ได้ผลผลิตดีขึ้นก็ต้องใส่ปุ๋ยเข้าไปนะคะมันก็จะกลับมาเป็นต้นทุนอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ต่อฟังข้าวหรือฟางข้าวเนี่ยให้เป็นประโยชน์ผลิตผลมันก็จะดีขึ้น ถ้าเราเผาฟอสฟอรัสหายไป 9. กเอรอไม่ใช่ค่ะนันโตรเจนหายไป 93% ฟอสฟอรัสศูย์หายไป 20% แล้วยิ่งจะทําให้ดินนั้นเสื่อมโทรมเร็วขึ้นในทางกับการถ้าเราไม่เผามันก็จะเกิดการอนุรักษ์ดินไม่ทําให้ดินเสื่อมโครงสร้างของดินก็จะดีขึ้นจากเศษต่อสังข้าวนะคะแล้วก็วัชพืชที่อยู่ในนาโดยการเอาฟางออกจากแปลงนาก่อนการเตรียมดินเพราะว่าปัญหาก็คือเกษตรกรมักจะทําง่ายๆ ก็คือถ้าเกิดไถกลบเนี่ยมันยากเพราะว่าไถายากใช่ไหมถ้ามีตอสังข้าอยู่เขาก็เลยเผาเลยทนีนี้วิธีการจัดการก็คือก็ต้องเอาฟางออกจากแปลงนาก่อนเตรียมดินด้วยการอัดฟางเป็นก้อนให้เป็นอาหารสัตว์แล้วหรือเป็นวัสดุเพาะแล้วก็ไถกลบตอสังข้าก่อนการเตรียมดินนะคะทั้งนี้เนี่ยการไถกลบตอสังข้าแล้วปล่อยทิ้งไว้1เดือนก่อนการเตรียมดินเนี่ยมีแนวโน้มในการที่จะช่วยให้ข้าวเนี่ยมีผลผลิตสูงขึ้น ข้าวที่ปลูกในแปลงที่มีการเผาฟางโดยการไถกลบต่อสังเกตปล่อยทิ้งไว้15วันในสภาพดินแห้งถึงชื้นก่อนเตรียมดินปลูกข้าวจะช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวลงได้ในฤดูการที่2นะฤ ด, ดูการปลูกที่2และฤดตูต่อไปโดยข้าวที่ได้เนี่ยผลผลิตจะไม่ต่างกัน ทางด้านนายสุริยันวิจิตเลขาการนะคะรองผู้อำนวยการโครงการเกษตรกรรมและอาหารกิสประจำประเทศไทย <c oughs> ก็บอกว่าในแต่ละเทคโนโลยีจะช่วยส่งเสริมให้กเกษตรกรผลิตข้าวได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นเทคนิคการปรับหน้าดินให้เรียบเสมอกันจะช่วยให้กเกษตรกรเนี่ยประหยัดค่าสูบน้ำได้มากถึง 50% เปเทคนิคการทานาแบบเปียกสลับแห้งจะช่วยให้ระบบลากข้าว การแตกกอแล้วก็ความสมบูรณ์ของข้าวดีขึ้นนะคะส่วนเทคนิคการใส่ปุ๋ยตามคําวิเคราะห์ดินก็จะช่วยลดต้นทุนการใช้ปริมาณปุ๋ยที่มากเกินความจําเป็นการรักษาและาธาตุในดินทําให้ดินมีความสมบูรณ์มากขึ้นนะคะและวิธีสุดท้ายคือการจัดการฟางและตอสั่งเนี่ยจะช่วยสนับสนุนให้เกษตรก ร, ร, กรหยุดเผาเศษวัสดุเหลือใช้ในนาข้าวลดฝุ่นละอองและหมอกควันในในเวลาเดียวกันอีกทั้งเกษตรก ร, เ, ร, กรเนี่ยก็สามารถนําฟางข้าวไปแปรรูปเพิ่มมูลค่าได้นะคะ ซึ่งเทคนิคต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะช่วยลดต้นทุนในการปลูกข้าวช่วยเพิ่มผลผลผลิตให้กับข้าวแล้วก็ได้ข้าวที่มีคุณภาพด้วยนะคะทางด้านคุณดุดเดือนสส ส, สนาวินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสะหกรณ์ก็บอกว่าโครงการไทยไลส์นามาเนี่ยร่วมกับธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือทกศก็จะพัฒนาเงินทุนหมุนเวียนเพื่อจ่ายค่าบริการปรับพื้นที่ด้วยระบบเลเซอร์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่นำร่องนะคะโดยเกษตรกรเนี่ยสามารถผ่อนชําระคืนภายหลังได้ในระยะเวลา3ฤดูปลูกที่เงินหมุน เ, เงินทุนหมุนเวียนจะเชื่อมโยงไปยังสินเชื่อสีเขียวของธนาคาราทกศนะคะให้เงินทุนแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการซื้อเครื่องจกักรมาใช้ในกิจกรรมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะ ทางด้านมิสเตอร์เกิร์สชมิตนะคะเอกอัครราชทูตเยอรมันประเทศประจําประเทศไทยก็บอกว่าเกษตรกรเนี่ยเป็นกลุ่มแรกที่จะรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเห็นได้ชัดเลยจากจากน้ําท่วมที่ผ่านมาเนี่เกษตรกรน้ําตาตกเป็นคนแรกเลยนะคะเพราะว่าผลผลิตเสียหายนะคะแต่ในขณะเดียวกันเกษตรกรเองก็สามารถช่วยบรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกร้อนได้เช่นกันโครงการนี้เนี่ยจะแสดงให้เห็นว่าวิธีการปลูกข้าวในรูปแบบใหม่เนี่ย สามารถที่จะช่วยดูแลรักษาธรรมชาติควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตแล้วก็รายได้ของเกษตรกรด้วยนะคะโดยโครงการไทไลส์นามาเนี่ยได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจำนวน 14.9 ล้านยูโรหรือประมาณ530ล้านบาทผ่านกองทุนนา ม, มา FACILITY ซึ่งสนับสนุนโดยรัฐบาลประเทศเยอรมนรัฐบาลสหรัฐอาณาจักรแล้วก็รัฐบาลเดนมาร์รวมถึงสาภาพยุโรปด้วยนะคะนี่เป็นโครงการดีๆที่จะเกิดขึ้นในบ้านเรานะคะ เดี๋ยวต่อไปเราก็จะได้โมเดลนี้เพื่อไปปรับใช้กับพื้นที่เกษตรในหลายพื้นที่นะคะเดี๋ยวพักครู่เดียวค่ะกลับมาในช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆจากต่างประเทศรอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม RMIT Moving Towards Innovative University มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี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 ตอได้ทีสอบถามเพิ่มเติมที่02 549 3653มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีร่วมกับชมรมกอล์ฟราชมงคลและสมาคมศิทธ์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคลประจําปี2562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 saying that we won't dance apart. Now someone else is holding you the way I did then. So I w o u l d never, no, I'll never, never dance again. Oh no, I've danced with the others just to show. The truth wasn't there unless my arms are holding you the way they did. That Thinking how sweet that is, unless my arms are holding you the way they did t h เป็นเรื่องเป็นราวช่วงอยากเล่ากลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเป็นเรื่องเป็นราวนะคะเรื่องดีๆที่จะหยิบมาเล่าจากภาคจะบอกอีกภาคโลกหนึ่งก็ไม่ไกลมากขนาดนั้นนะคะอยู่ที่พูตานค่ะพูตันเนี่ยเขาบอกว่าเป็นประเทศแรกและเป็นประเทศเดียวในโลกน ะ, ะที่มีปริมาณการปล่อยกา๊าซคาร์บอนเท่ากับศูนย์คือไม่ปล่อยอะไรเลยที่เป็นพิษกับระบบมลภาวะของโลกนะคะ เขาบอกว่าประเทศพูตานเนี่ยมีปริมาณการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับศูย์แล้วก็ไม่ใช่แค่มีสภาพการปล่อยกา๊าซปล่อยคาร์บอนที่เป็นกลางเท่านั้นนะคะยังติดลบด้วยนะคะติดลบคือไม่ปล่อยอะไรเลยแล้วก็ยังยังสามารถที่จะเป็นพื้นที่สีเขียวนะคะเหตุ <c oughs> ผลง่ายๆเลยเพราะว่าประเทศนี้เนี่ยมีปริมาณป่าไม้ที่ปล่อยออกซิเจนมากกว่าปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาปีละ 1.1 ล้านตัน คือปล่อยออกซิเจนมามากนะคะปีละ 1.1 ล้านตันแล้วก็ยังส่งออกกระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนขายให้กับอินเดียต่างหากน่นะคะแล้วก็เลยทําให้ปริมาณของอปริมาณของคาร์บอนจากพูตานเนี่ยมันมีค่าเท่าติดลบเลยนะไม่ใช่เข้าเข้ากับศูนย์เท่านั้นนะคะ mm hmm. ขณะเดียวกันถ้าหากพูตานยังผลิตและส่งออกพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในอัตรานี้ต่อไปภายในปี2020พูตานจะมีส่วนช่วย โลกโลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง17ล้านตันในแต่ละปีนะคะเป็นเรื่องที่น่าทึ่งค่ะที่ประเทศเล็กๆที่มีขนาดเท่ากับจังหวัดอุบลราชธานีกลับสามารถช่วยโลกได้นะคะตรงกันข้ามกับประเทศมหาอำนาจบางประเทศที่หันหลังให้กับความตกลงปาลีสแล้วก็ยังเดินหน้าทำลายสิ่งแวดล้อมต่อไปโดยอ้างว่าเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนนะคะโดยพูตานเนี่ยได้ ทำให้เห็นว่าความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจไม่ได้วัดกันที่ GDP ค่ะแต่วัดกันที่สวัสดิภาพชีวิตของประชาชนซึ่งคำนวณไม่ได้จากตัวเลขเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวอีกทั้งมูลค่าแฝงของ GDP นั้นก็เลวร้ายมากค่ะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่า GDP โตมากเท่าไหร่แต่ คุณภาพชีวิตของประชาชนก็จะยิ่งส่วนทางเท่านั้นเพราะว่าทางภาครัฐรวมถึงชุมชนเนี่ยต้องมีต้นทุนในด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นรวมถึงบริหารจัดการด้านสุขภาพของชุมชนเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่ขยับขึ้นเพียงเล็กน้อยเนี่ยหมายถึงการปล่อยก๊าซคาร์บอนมหาศาลด้วยเช่นกันนะคะถ้าพิจารณาจาก ตัววัดความเจริญแบบสากลพูตานเป็นประเทศที่อยู่รังท้ายตารางในหลายดัดชนีค่ะอีกทั้งดัดชนีความสุขมวลรวมหรือว่า g n h ที่พูตานใช้เป็นมาตรฐอามาตรวัดความสําเร็จของตัวเองยังถูกตั้งคําถามถึงความน่าเชื่อถือและความเป็นสากลอีกต่างหากนะ่อย่างไรก็ตามนะคะพูตันเนี่ยมีประชากรในประเทศเพียง7จ0 0 0 0ห้าหมคนค่ะก็คงจะไม่ยากเกินไปที่จะมุ่งผลักดันกรอบการพัฒนาแนวใหม่แม้ว่าโลกจะไม่เดินตาม จะไม่เดินตามพูตานแต่พูตานหวังว่าจะเป็นตัวอย่างให้มองเห็นว่าวิธีคิดและวิธีการลงมือทําของพูตานเนี่ยจะเป็นส่วนที่สร้างแรงผักดนันแล้วเป็นแรงบันดาลใจใ ห, ให้กับประเทศยักษ์ใหญ่หลายประเทศนะคะพูตานเนี่ยเป็นประเทศแนวหน้าในการลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนค่ะด้วยความที่มีความด้อยในหลายด้านตามมาตรวัดสากล น, นะไม่ว่าจะเป็นระบบสาธารณรูปรภคต่างๆแต่คุณภาพชีวิตของพูตาน ก็ไม่ได้ด้อยมีความสุขนะคะมีความสุขไม่แพ้ ح, ชาติใดในโลกเลยนะคะหลายคนสงสัยว่าชาวูตานเนี่ยไม่ได้ใช้ชีวิตแบบคนยุคหินหรือยุคก่อน ป, ปฏิวัติอุตสาหกรรมกันเลยนะคะถึงได้มีคาร์บอนน้อยนิดนะคะคำตอบของคำถามนี้มีอยู่2ระดับคะ่ะระดับแรกคือนโยบายของรัฐที่อิงกับความยั่งยืนระดับที่2ก็คือวิถีชีวิตที่อิงกับจิตวิญญาณของพูตานนะคะ ในส่วนของโนโยบายภาครัฐมาดูกันว่าตั้งแต่ปี2009ค่ะรัฐบาลใหม่ได้ผลักดันนโยบายหลายอย่างที่ทำให้ปริมาณคาร์บอนลดลงอย่างมหาศาลอย่างเช่นการผลิตก ร, กระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำซึ่งมีส่วนอย่างมากในการลดการเผาผลาญพลังงานฟอสซิลมีความร่วมมือกับบริษัทรถยนต์ชั้นนำของโลกก็คือนิสสันนะคะเพื่อส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้ารัฐบาลลด ร, ราคาลดพลังงานไฟฟ้าแล้วก็ผันงบประมาณอุดหนุน ราคาหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงานมีการตั้งเป้าเป็นรัฐบาลปลอดกระดาษในอีกไม่นานนะคะมีการลงนามข้อตกลงที่กําหนดว่าป ร, ปริมาณป่าไม้ของประเทศจะต้องไม่น้อยกว่า6กเปของพื้นที่ทางประเทศและเพื่อรักษาพื้นที่ป่ารัฐบาลก็จะปล่อยกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนในพื้นที่ชนหบดได้ใช้ฟรีค่ะเพื่อลดการตัดไม้มาทําฟืนในส่วนของภาคประชาชนเองประชาชนส่วนใหญ่ของพูตานจังอยู่ในชนบทค่ะแต่ก่อน ต้องอาศัยการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อใช้ฟืนมาใช้ในการหุงต้มแล้วก็ให้ความอบอุ่นแต่เพราะความใจกว้างของรัฐบาลมีการออกค่าไฟให้ใช้ฟรีเลยทําให้พวกเขาไม่ต้องตัดไม้ทําลายป่าก็ปริมาณการตัดไม้ทําลายป่าก็น้อยลงมีโอกาสได้เข้าถึงการคมนาคมขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็ทําให้ชาวพูตานเข้าถึงความทันสมัยแล้วก็เป็นภัยกับสิ่งแวดล้อมน้อยลงนะคะก็คือไม่ไม่ไปทําลายธรรมชาตินั่นเองขณะเดียวกันพวกเขายังสามารถรักษาจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ พรีโมเดิรเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นค่ะไปพร้อมๆกับมนุษย์โมเดิร น, นะคะศาสนาก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งนะคะก่อนความเป็นสมัยใหม่ที่ยังคงบทบาทให้ชีวิตของชาวบูตานมาีวิถีชีวิตที่มีความสุขมวลรวมของประชาชาติแทนที่จะอิงกับความมั่งคั่งแห่งชาตินะคะในระยะหลังเนี่ยมีการศึกษาความเชื่อมโยงเกี่ยวกับหลักคําสอนของพุทธศาสนากับจิตสํำนึกการรักษาสิ่งแวดล้อมในบูตานอยู่บ้าง อ, าอย่างเช่นในหนังสือ Oxford Handbook of contemporary Buddhism นะคะชี้ว่ารัฐบาลพยายามอย่างชัดเจนที่จะยกเครดิตให้กับพุทธศาสนาในฐานะที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศแล้วก็ชาปูตานเองก็มักจะยกหลัก อิทธปัจจยตานะคะหรือว่าปัจจยการเป็นหลักธรรมที่อธิบายถึงการเกิดขึ้นพร้อมแห่งธรรมทั้งหลายแล้วก็อาการอาศัยซึ่งกันและกันนะคะซึ่งหมายความว่าทัศนะของชาวพูตานสิ่งแวดล้อมแล้วก็สรรพชีวิตเนี่ยต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะนี่ก็เป็นความสําเร็จของภูตานนะคะในการที่จะทําใหออ้ประเทศของเขาเนี่ยเติบโตคู่ขนานไปกับความเจริญของโลก ในแบบที่ดูแลสิ่งแวดล้อมอประชาชนในประเทศมีความสุขมีตัวชี้วัดที่สามารถที่จะบอกได้ว่าเขามีความสุขกับการใช้ชีวิตแบบนั้นได้นะคะทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวทั้งหมดจากเป็นเรื่องเป็นราวค่ะในสัปดาห์นี้ดิฉันคงต้องลาไปก่อนสาหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะฝากเรื่องที่อยากจะให้เอามาเล่าหรืออยากจะฝากเรื่องให้มาเล่านะคะฝากไว้ได้ที่เพจเล่าเป็นเรื่อง สำหรับวันนี้ดิฉันวัชรินคะลชาลาไปก่อนพบกันใหม่หสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการเป็นเรื่องเป็นราวได้ทุกวันอาทิตย์เวลา18บแนาฬินาทีทาง FM89.5 ็มแเมกะรับฟังย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ www.radio.rmutt.ac.th และที่ทางแฟนเพจ Facebook วิทยุราชมงคลธั ญ, ญบุรี